เราพื้นฐานธรรมะก็เขมีแล้วนะตามที่คุยกันนะแม่โยมเคยไม่เคยคุยแต่ที่มีอยู่แล้วก็คือเรายังไ่งที่สุดรวมถึงตัวเราด้วยไม่ถึงที่สุดแต่ว่าเราก็พูดจะพูดเฉพาะส่วนที่เรารู้แล้วตามที่รู้แล้วแล้วก็จะคุยก็คุยกันอย่างนี้แหละแต่สิ่งที่คุยเนี่ยเป็นสิ่งที่ เรารู้ได้ี่สูจได้ไม่ใช่เป็นเรื่องคิดหรือฝันไปไม่ใช่เป็นเรื่องคาดหวังแต่รู้ได้รู้ได้จริงๆรู้ได้จริงๆรู้อย่างไรก็คือก็รู้มาที่ตัวเรารู้มาที่กายที่ใจสุ่งนี้รู้ได้จริงๆรทีนี้พูดถึงคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเยอะมากนกนกคำสอนท่านแปดหมื่นสี่มืนแปดพัน ก็าทำเมื่อขันซึ่งเยอะมากคำสอนแต่ว่าถ้าเราจะรู้คาสอนของท่านทั้งหมดก็ชาตินี้คงตายฟรีเหมือนกันเยอะเพราะนั้นเราจะจับมาเรียนเฉพาะบางเรื่องที่เห็นว่ามันอ่าแล้วก็อยู่ในเขาเรียกว่ากับไม้ใบไม้กับมือเดียวเล็กๆเฉพาะโดยที่วัดป่าสุกัโตอันนี้ที่อื่นเดี๋ยวไม่พูดเนาะเพราะว่าแต่ละคนอจาน คือว่าสาวก็โ ต, ก, ตก็คือที่บอกว่าเราจะเน้นกันเรื่องสติสัมปชัญญะถ้าเรียกรวมๆก็คือความรู้สึกตัวสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มอีอุปการะมากไม่ว่าอยู่ที่ไหนถ้าขาดสติสัมปชัญญะนั่นหมายถึงว่าเราจะไม่รู้อะไรเลยยกตัวอย่างสมมุติเราเดินเ ร, เราเดินกลับกุดสิบเจ็ดเดินทางนี้นะตอนแรกอาจจะเราคุยๆกันอยู่บอกว่าจะกลับกุดพอกลับกุดปั๊บ ด้วยอะไรกันแล้วแต่เราก็เดินไปทางนี้ถูกไหมเดินไปทางนี้ระหว่างเดินเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกตัวว่าตัวเองกําลังเดินตัวเองจะไปไหนเพราะช่วงนั้นอาจจะคุยไปบ้างคิดอะไรไปบ้างไม่รู้สึกตัวเมื่อไม่รู้สึกตัวมันก็จะเดินไปตามที่มันเดินถูกไหมจนกระทั่งถึงจุดหนึ่ง <ละ S 1> มีเหตุปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาว่าเฮ้ยตอนเรามาเรามาทางนี้นี่เกิดความรู้สึกเจอแม็กหนึ่งว่าเร า, เรารู้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทางนี้มันไม่ใช่ พอเรารู้สึกตัวได้ปั๊บเราจะรู้ว่าทางที่จะไปมันไปทางไหนมันเกิดขึ้นตอนนั้นเองตอนที่รู้สึกตัวว่าทางที่จะกลับขุดเราก็คือต้องไปทางนี้และมันก็กลับหลังมาทางนี้เพราะฉะนั้นการที่พูดนี้ก็ยกตัวอย่างก็คือว่าถ้าเราไม่รู้สึกตัวเราจะเดินไปเรื่อยๆเดินไปนานเท่าไหร่นานจนกว่าจะรู้สึกตัวถ้าไม่รู้สึกตัวก็คือไม่รู้ไปถึงไหนนะแต่ความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวทําให้เปลี่ยนจากหลงเป็นรู้ได้ ใช่ไหมจากที่เราทุกเป็นไม่ทุกได้ไจากที่เราโกรธเป็นไม่โกรธได้จากที่เราเกิดกลายเป็นไม่เกิดได้คือมันจะกลับหมดเลยเพราะ น, นั้นชีวิตของเราถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เจริญสติเราก็อยู่ในความหลงมันไม่สามารถกลับสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกได้ทีนี้ใช่เหม ทีนี้รู้สึกตัวรู้สึกตัวคือเป็นสิ่งที่รู้ได้จริงก็ที่เรายกตัวอย่างว่าทําไมที่นี่มาสอนรูปแบบรูปแบบมันก็คือเริ่มต้นเพื่อให้เกิดการรู้จักรู้จักสภาวะที่มีอยู่ในกายอย่างที่คุยเมื่อวานความเจ็บความปวดความเมื่อยนะมันมีอยู่ในเราซึ่งเรารู้ได้จริงว่าสิ่งนั้นมีอยู่ไม่มีโกหกใครพูดยังไงเราก็ไม่เชื่อเช่นสมมุติว่าเราเรานั่งเนี่ยหลวงพี่บอกว่า โยมนั่งเนี่ยไม่เมื่อยเลยโยมก็จะรู้ว่าโยมเมื่อยหรือไม่เมื่อยหลวงพี่พูดไม่ถูกหรือว่าถ้าโยมโยมพี่หลวงของพี่บอกว่าเออไม่เมื่อยหรือบอกว่าเมื่อยแต่เขาไม่เมื่อยอย่างเนี้ยเราก็เราก็พูดไม่ถูกแต่เรานี่แหละเป็นผู้รู้ถูกไหมเพราะฉะนั้นการรู้ตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องปัจจตังคือรู้ได้ตัวเองคนอื่นไม่มีทางรู้ได้อย่างดีก็เป็นความรู้สึกถูกไหมเพราะนั้นเราจะมาหัดมาหัดฝึก เพื่อให้เกิดการรู้ร่างรู้กายรู้ใจของเราก็ตามรูปแบบก็มีเดินยืนนั่งนอนประมาณสี่หลักคู่เหยียดอะไรก็แล้ต่ใครสนัดตรงไหนก็สึกตรงนั้นไปโยงโยง ท, ทำไปได้ก็ดีนะฟังไปทำไปไ<ม>ถูกต้องต้อ ง, อง<ไ>ทำไปนะมันผิดมันรู้เองแหละทำไปเล่นๆไม่ต้องเกรงมื อ, อเล่นๆ เนี่ยเหมือนกับพัดลมอย่างเงี้ยเราเราทธรรมชาติมากเนี่ยเราทำธรรมชาติมากคือมันไหวตามธรรมชาติเพราะนั้นเรายกมือก็คือให้ธรรมชาติไม่ต้องไม่ต้องเก่งธรรมชาติเนี่ยอย่างเราพัดลมเนี่ยนธรรมชาติแต่ว่าเรารู้อยู่ว่าความไหวมีอยู่และลมกะทรบร่างกายเราเย็นเยนเรารู้หมดเลยถูกไหมนี่เป็นการรู้ทีนี้พอเรามารู้กายรู้ความเจ็บความปวดความเมื่อยแล้วเนี่ยคือรู้เพื่อให้รู้จักว่าสิ่งเนี้ยมันมีอยู่ นึ่งเลียงจะเรียกว่าตลอดเวลาก็ได้ไ<อ>เดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวคันเดี๋ยวจิตแยกตรงนี้ที่ขยับเท้าเนี่ยมันมีอาการแ ล, ล้วแหละมันถึงขยับเพราะอะไรเพราะว่ามันอาจจะรู้สึกมันไม่สบายมันก็ขยับก็หรู้จักสิ่งนี้แล้วก็เรื่องทางใจก็เหมือนกันอารมณ์ทางใจเช่นหงุดหงิดลำคานนั่ง น, นั่งสวดมนต์ยุ่งกับปี้ปี้ปำคาญก็ให้รู้จักว่าจิตมันมีอาการลำคาญอยู่เราห้ามมันไม่ได้ก็เพียงแค่รู้ว่ามันลำคาญจิตสบาย จิตสงบก็รู้ได้เห็นไม้มสิ่งที่พูดมานี้ไม่ใช่เป็นเรื่องนอกตัวเป็นเรื่องในตัวแล้วไม่โกหกเพราะเราพิสูจน์ด้วยตัวเราถูกหนะทีนี้การที่เรานั่งยกมือเนี่ยยิ่งเรายิ่งเราทํานานอาการต่างๆมันเกิดเราก็ยิ่งรู้เยอะแต่ถ้าเราไม่มีรูปแบบเช่นเรายืนเนี่ยพอเมื่อหน่อยเราเปลี่ยนหรือเปลี่ยนๆก ล, ล, ลายเป็นว่าเราไม่รู้ทุกเพราะทุกเนี่ยมันมันถูกเปลี่ยนไปแล้วแต่ถ้าเราทําอย่างเนี้ย ทำให้นานเดินให้นานทุกมันค่อยๆแสดงนาะทีละอย่างทีละอย่างจนแล้วรเรารู้สึกเราเห็นทุกเห็นทุกนี้เพื่ออะไรก็เพื่อให้รู้จักแล้วให้รู้จักต่อไปว่าก็คือทุกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราจะได้ไม่ยึดมั่นกับไม่ได้ยึดมั่นกับทุกนั้น<ม>แต่ทุกไม่ได้มีนะหมายถึงว่าคนปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าทุกไม่เกิดทุกมีอยู่ บางคนเข้าใจผิดเลยว่าปฏิบัติทำแล้วจะไม่ปวดไม่เมื่อยประมาณนี้สมมติอัน<ช>นี้คือความเห็นผิด <c oughs> อะไรที่แบบเพลนสมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นทุกข์อ่ายิ่งเห็นพอยิ่งเห็นเสร็จเราก็ดูความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเปลี่ยนแปลงนะอ่าทำไมไม่ยกมือเพราะมันลืมไปแล้วอ่าพอนึกได้ก็ทําต่ออ่ายมทำต่อทุกครั้งที่มันลืมมันก็จะหยุดเมื่อนึกได้ก็ทําต่อที่ที่มันหยุดไปบางทีมันลืมนะมันลืมจริงๆริอ เพราะว่ารู้บ้างลืมบ้างก็คือปกติไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าผิดแรงอะไรเอ่อเ <c oughs> นี่ยเห็นไหทุกเกิดตลอดเวลาเห็นเริ่มเห็นแล้วนะอ่าเริ่มเห็นแล้วเดี๋ยวคันเดี๋ยวเจ็บนี่ทุกมันแสดงให้ดูแล้วเรา <c oughs> ถึงไม่ละเลยไงทุกอย่างเป็นทุกทั้งหมดเรามีเขาเรียกว่าระลึกได้อยู่เนืองๆว่าตอนนี้ทุกขโหยิบยับไปหมดเลยอะตามตัวเดี๋ยวคันตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เห็นไหม ยนว่าเลยอนะ่ะจะตักข้าวแมนูหนูกับแม่ก่อนใช่ไหมแล้วเขาจะต้องรออีกสามามคนหนูให้ผ่านกระชอนผมก็ทำยันว่าเลยอุ้ยกูมีผ่านแล้วอ่ะาาเลยไม่เครียดบ่อยเขาไม่ว่าอะไรอย่า ง, างน้นงนานแล้วนะหยุดแล้วนะหยุดแล้วนะเอาต่อเห็นไหมมันคนเราไม่ใช่ว่าเอ า, เอาพอนึกได้ทํานะเอางี้เออเราเราถือว่าเราเราเราฝึกกันว่าคือบางอย่างเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราทําอยู่พอเห็นเสียงอะไรปั๊บมันโย่ไปฟังมันก็มือหยุด ที่มันอยู่เพราะว่ามันหลงไปฟังเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะไปหลงไปเกาหลงอะไรจนกระทั่งลืมนะแต่ถ้าหนูตั้งใจเกาอ่ะก็ถ้ารู้ไม่เป็นไรถ้ารู้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราพูดในข้อเท็จจริงว่าคือถ้าถ้าลืมก็คือมันลืมจริงๆนะะอ่าถ้านึกได้มันก็นึกได้เองจริงๆนะมันไม่ใช่ว่าใครหลอกใครได้แต่ว่าหลักการการคุยคการที่เนี่ยก็คือให้เรารู้สิ่งพวกนี้ยว่าเวลาลืมก็แล้วไปแต่ว่าเวลารู้สึกตัวเราก็รู้มัน คืออะไรก็ไม่ผิดพลาดไม่ผิดสุดตัวไม่ผิดไม่ผิดเลยเพราะว่ามันไม่ได้ลีมาแบบว่าอย่างผูกน้อย่าไม่ผิดไม่ผิดเปี่ยนใจให้เรารู้ว่าเราทำอะไรแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยเราทําเขาเรียกว่าภาษาสมมุติบอกว่าเป็นทําผิดอ่ะนั่นใจเราไปให้ความหมายไปเรียบร้อยแล้วว่ามันผิดแต่จริงๆก็คือมันไม่ผิดไม่ถูกอ่าอ่ะอาละทีนี้ก็ก็ทําไปเรื่อยๆแล้วกันเพื่อเพื่อจะให้เห็น สิ่งที่อยู่ในร่างกายจิตใจเรานะมันจะบอกหมดเลยมันจะบอกหมดเลยโดยที่ถึงคนอื่นไม่บอกเรามันก็เกิดอยู่ในเรานะแต่ถ้าคนอื่นไม่บอกเราที่เป็นภาษาเนี่เราไม่รู้จักมันอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่มีคนมาชี้แนะมันก็ไม่รู้จักกายเป็นอารมณ์นั้นเกิดแล้วก็ผ่านไปเราไม่ได้ได้อะไรเขาเรียกว่าเราไม่ได้เห็นความเกิดดับของมัน เพราะนั้นเราฟังเรื่องอารมณ์ต่างๆทําให้สติเราเกิดได้เร็วขึ้นอย่างโยมเมือเ่อคืนก็พูดถึงลบเมื่อวานได้พูดถึงเรื่องความคิดบอกว่าเรานั่งไปนอนไปเนี่ยเดี๋ยวความคิดก็มาเขาก็บอกเออเดินเล่านะเขาาก็คิดนน้นคินี้แล้วก็นึกถึงเราละเพราะสิ่งนี้เป็นข้อมูลที่เราให้เมื่อวานพอให้วางวันปั๊บความคิดเกิดขึ้นเขาก็นึกได้ถูกไหมนึกได้ว่าเขาคิดอ่านี่คือมันเกิดสติถ้าไม่ฟังข้อมูลคิดไปก็ฟรีทั้งปีตลอดชาติไม่รู้ถูกไหะ มันเรื่องคันเนี่ยเวลาเราฟังบ่อยๆอ๋อคันอ๋อหลวงพี่เขาบอกคันก็รู้มันก็อืมสตรีมก็ค่อยๆเกิดใช่มหมทำไมหยุดมันค่ะอันนี้คือเราทักกันเล่นๆไงถูกไหมว่าว่าเดิมเนี่ยเรายกอยู่แล้วมันหยุดไปได้ยังไงอะอ่าพอนนั้นพอเรารู้สึกตัวแล้วเราก็ทําต่อแต่เมื่อกี้ของจริงเลยแม่เออไม่ไรเราก็พอเราทำต่อเนี่ยมันลืมก็คือไม่รู้แต่พอเรานึกขึ้นได้ว่าลืมเราก็ทําต่อใหม่ เดี๋ยวมันก็ลืมใหม่ทำต่อใหม่ลืมใหม่พอช่วงที่มันลืมเนี่ยจิตมันไปคิดเรื่องอื่นสักเรื่องหนึ่งหรืออาจจะไปสนใจเสียงก็ได้หรือจริงส่วนใหญ่คือหลงไปคิดอะไรสักอย่างอันแร บ, บหนึ่งเนี่ยระหว่างเราอันนี้ชี้นะชี้ทํานองว่าไม่ใช่รู้แต่ว่าเป็นประสบการณ์ระหว่างที่เราคุยเราคุยกันอยู่เรานั่งยกมือกันอยู่ใจมันก็ทํางานก็คือมันคิดนั่นเองมันจะคิดเรื่องอะไรก็ได้แม็กหนึ่งนิดหนึ่งมีไหมมีถูกไหม นิดหนึ่งนั่นแหละตรงนั้นแหะเป็นตัววิปัสสนาเพื่อให้เห็นว่าไอาความคิดเนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับไปตัวยกมือนี้เป็นแค่เหยื่อล่อเพื่อให้ความคิดได้ทํางานแล้วเราได้เห็น<ม>นี่พูดถึงการเจริญปัญญานะไม่ได้พูดถึงการทําสมาธิไม่ได้พูดถึงเรื่องศีลเพราะว่าเรื่องศีลเนี่ยตอนนี้เรามีหมดแล้วเราไม่ต้องพูดถูกไหมศีลหนึ่งถึงห้าเนี่ยถึงลบรอยบเจ็ดเนี่ยระหว่างเรานั่งเนี่ยมีครบหมดแล้วแต่เราไม่ต้องพูดไม่ต้องสาธยายสมาธิคือความตั้งมัน่นตั้งมั่นอยู่ไหนตั้งงมั่่นทีจจะรรรูู้้กาายใขอเ ถูกไหมเพราะตอนเนี้มันตั้งมั่นที่จะรู้กายรู้ใจของเราพอมันลืมรู้กายมันไปคิดข้างนอกความตั้งมั่นเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยมันวับไปคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้เล็กๆบางทีเล็กๆบางทีอาจจะเป็นเรื่องยาวถ้ามันเผลอนานมันจะเป็นเรื่องยาวถ้ามันเผลอมันรู้เร็วเนี่ยเป็นเรื่องนิดนึงนิดนึงตันลงแล้วปฏิบัตินี้เป็นแบบสบายไม่มีคือก็เรียกแบบสบายไม่นั่งปิดตาเลย ถูกหมเป็นธรรมชาติหูก็ได้ยินตาก็ยังมองเห็นอ่ามันจะต่างกับเอวิธีที่ปิดตาแต่วิธีปิดตามันก็อีกอีกอันหนึ่งได้ได้หมดทีนี้ถ้าลืมตาเนี่ยมันเหมือนกับว่าหนึ่งเราไม่ติดสุขที่โอกาสที่ไม่ติดสุขมีนะเพราะว่าถ้าเราปิดตาเนี่อรู้สึกว่าตาเรามองมาเห็นแล้วก็มันเงียบมันเงียบอ่ะมันสบายแต่อย่างนี้มันไม่สบายแต่ความรู้สึกว่าเป็นผู้ตื่นอยู่เป็นผู้ตื่นนะ ตอนนี้เราราดหมูดูตาเป็นผู้สื่อไม่ใช่ผู้หลับถ้าปิดตาเป็นอย่างน้อยก็มันผู้หลับแล้วคือมองไม่เห็นระดับหนึ่นเงเนี่เี๋เราก็เนี่ยทําทไปเรื่อยเรืยเดี๋ยวมันมันมีสิ่งที่ตอนนี้เราคาดไม่ถึงว่าอะไรจะเกิดเดี๋ยวมันก็มาตอนนี้หนูคิดอะไรรือว่าไม่ต้องหอกหรอกเออคือคิดถึงหลมีพะมาอะไรอะไรคือเขาไปไหนกันอะเออเอางี้ อย่างนี้นะดีแล้วเนี่ยที่ถือว่าเราเขาเรียกว่ามีความก้าวหน้าหมดแล้วคือคนจริงๆไม่เห็นความคิดตัวเองนะยากมากนะความคิดไม่ใช่ดูง่ายแต่นี่หลักของเราก็คือว่าเมื่อเรานั่งอยู่เราคุยอยู่มันววบอะไรนิดหนึงเนี่ยเขาเรียกว่าแค่เห็นแล้วไม่ไม่สนใจมันนะเพราะว่าถ้าเราไปเพิ่มความสนใจปั๊บเนี่ยมันจะทิ้งสิ่งสิ่งที่เราทำอยู่เพราะมันไปคิดนะเพราะฉะนั้นแค่เราเห็นตลายเข็มเล็กๆเราก็ไม่สนใจมัน แต่อย่างน้อยเราได้เห็นแล้วว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปใช่ไม่สนใจแต่สงสัยดีเขาไปไหนกันเดี๋ยวกันนะกันนี่เห็นไหมมันอดไม่ได้มันมันคือความคิดมันรุนแรงมันอยากรู้ละมันอยากมันมีความดันอยากจะพูดอยากจะถามอ่ะทีนี้เราตรงเนี้ยถ้าเราฝึกให้ให้เข้มอีกนะหมายความว่ามันอยากนี่เราก็อย่าไปสนใจมันเราก็ยกมืออย่างเดียว แล้วพอเราทําได้มากๆมันจะชินแล้วประชินแล้วพออยากอะไรมันก็ผ่านไปอยากอะไรมันก็ผ่านไปมันเป็นการกดข่มไม่ไม่ไม่ไม่ไม่กดไม่กดจริงหรอคือมันเอาใจแรกๆอาจจะเรียกว่ากดข่มก็ได้นะเพราะว่าเหมือนกับว่ากําลังเราไม่พออย่างนี้ต้องฟังว่าการฝึกไม่ว่าอะไรแรกๆมันมีสิ่งแปลกปลอมไปกํากับเสมอการไม่กดข่มนั่นหมายถึงว่าผู้ที่เข้าถึงเรียบร้อยหมดแล้วมีพลังอํานาจที่มันจัด ก, การเองโดยที่ว่าไม่ใช่เราเป็นผู้ไปกดไปข่ม มันเป็นพลังจากการฝึกฝนมันมีอินรีมันกำลังเยอะกว่าอ่ามันมีอินซีย์แล้วพอมีอินซีย์แล้วไอ้ตัวอินทรีย์มันทํางานของมันไม่ใช่เราเป็นผู้กดข่มแต่อินทรีย์ซึ่งเป็นพลังธรรมชาติที่จากการเพียนฝึกฝนมามันทํางานของมันเองมันตัดเองมันทําเองทุกอย่างเพราะฉะนั้นที่เราพูดว่าอย่าไปกดข่มนั่นหมายถึงว่าผู้ที่บรรลุทำแล้วเป็นแล้วทําได้แล้ว อย่างเรานะอย่าอย่าไปไม่กดคมเลยเพราะยังไงมันต้องกดคมไม่กดไม่กดโง่น้ำตาน้องนะเออสนุกนะเขาไปไหนกันเดี๋ยนะมันล้นมาอยู่ดีอ่ะมันล้นมาเพราะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแรงผักดันที่จะถามเยอะไงเอาผ่านไนก่อนยังไม่ตอบแต่ว่าดูตรงนี้เอาแต่ยกมือไปด้วยแล้วก็ดูมันเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มใหม่นะเริ่มใหม่ก็คือนั่งยกมือเล่นๆไปก่อนนะ ไอ้ตรงนั้นเมื่อกี้ถือว่าผ่านไปผ่านไปแล้วนะนั่งยกมือไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ดันอยากจะพูดอยากจะถามท<อ>ี่มันไม่ผ่านมันยังอยู่เ อ, อก็เราศึกษาไอ้ตัวนั้นไงศึกษาไอ้ตัวที่มันอยากรู้อยากถามให้เรารู้อ่ะเดี๋ยวนี้พูดหน่อยก็ได้ให้เรารู้ว่าตอนนี้สภาวะธรรมตัวที่อยากรู้สภาวะธรรมตัวสงสัยกําลังเกิดก็ให้รู้ว่าสงสัยหรือว่ามันอยากอยู่ก็ให้รู้ว่ามันอยากอยู่ถึงไม่ก่อนนะ มันมีอารมณ์พอใจร่วมก็ยังก็แล้วแต่แหละคือทุกอย่างมันเป็นบทศึกษาหมดถูกไหเพราะเรากำลังพูดถึงนไมันนึกถึงใครโทรมาอีกแล้วไวมากเดี๋ยวต้องว่ามาแล้วพีเดี๋ยวยต้องโทรกลับแล้วโทรกลับเข้าพดี๋ยวพุหกไม่หายเลยเดี๋ยด้วย ยอมยอมไหมเอเ อ, อเป็นบาปมากนะคนกำลังภาวนาอยู่แล้วโทรมาขัดจังหวะนเนี่ยถือว่าเป็นมารเลยนะเป็นมารที่มาขัดขวางการเจริญเก้าหน้าในทางธรรมเออไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้เออนะวางก่อนนะ ทำไมเรียกว่ามานมานก็คือมันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอะไรนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่คล้ายๆว่ามาขัดขวางมาขัดจังหวะขัดจังหวะในการเจริญภาวนาของของพวกเราเนี่ยเพื่อให้มีความก้าวหน้าแต่จะมีตัวสิ่งหนึ่งที่มาขัดขวางโดยเฉพาะความคิดความคิดก็เป็นมารเหมือนกันนะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ท่านนั่งใต้ต้นโพ ที่บอกว่าถ้าไม่ไม่ไม่บรรลุหรือว่าไม่ไม่เอ อ, เอ่าจะไม่ลุกไปจากตรงนี้แล้วระหว่างตรงนั้นเน่ยมันผจญมากที่เขาทาเป็นบุคลาธิฐานก็คือให้เห็นเป็นรูปภาพเช่นเป็นรูปผู้หญิงแบบยั่วยวนนะเต้นราอันนี้เป็นบุคลาธิฐานเพื่อให้เห็นภาพแต่ว่าถ้าทางจิตเขาเรียกว่าธรรมธิฐานคือเป็นอาการในจิตก็คือความคิดนะความคิดถึงนางสนมกำนันที่เคยร่วมกันมามันก็นั่งนั่งอยู่ปิดตาหรือไม่ปิดตาเนี้ย ภาพมันก็มาแบบเต้นโยโยโยโ ย, ย, ย, ยล่อใช่ไหมหรือว่าคิดถึงราหุลคิดถึงพิมพามนี่ตรงเนี้ยทีนี้ด้วยที่ว่าท่านมีอินทรีย์เพียงพอที่จะเป็นผู้ดูผู้เห็นอยู่ว่าขนาดนี้ยจิตมันกําลังคิดอยู่นะท่านก็ไม่ไปกับความคิดก็คือไม่กลับเข้าวังท่านก็อยู่ตรงนี้พออยู่ตรงนี้ท่านก็แจ้งถึงว่าทําไมเอคนเรามันมีทุกมีทุกก็เพราะว่าพวกพวกเนี้ยความคิดความอะไรที่มันปรุงแต่งขึ้นมามันปรุงแต่งขึ้นมา แต่ถ้าจริงก็คือจิตเราที่มันมีอาการท่านก็ชนะตรงนี้ได้สุดท้ายท่านก็วางลงหมายความว่าไม่ทําตามที่ที่มันคิดถูกไหมเมื่อกี้เนี่ยมันคิดอยากจะรู้อยากจะถามเราอย่าทําตามมันตรงเนี้ต้องต้องฝึกนะเพราะว่าอินทรีย์เราจะแก่กล้าก็ตรงที่เราไม่ทำตามใชไมไม่ไม่ทำตามนะอ่าไม่ทําตามมันถ้าทําตามมันทุกครั้งไปความเป็นความเคยชินพอเคยชินเสร็จเราจะหยุดมันเนี่ยมันยากเพราะว่ามันมีกําลังมากกว่าแล้ว อย่างยมประกิะก็ให้รู้ว่าสงสัยก็มันสงสัยแล้วาอะรรู้ว่าสงสัยิก็ดจงแต่ท่านาไปอย่างั้นหมายถึงยังไงอะไรนะทำไมโห ก, กอดคอกัท่านอย่าหลอกผมนะแบบมันมันแบบว่าโอ้โหนเออเอเ อ, เอาให้รู้ว่าสงสัยนะตอนนี้นะให้รู้ว่ากาลังสงสัยอยู่แล้วมัน่ลยกมือยกมือตความสงสัยก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวก็ ไม่สงสัยมันมันไม่ได้เกิดความสงสัยตลอดนะเดี๋ยวดูต่อไปว่าเดี๋ยวจุดหนึ่งมันอาจจะรู้สึกเฮ้ยเราไม่อยากรู้เท่าไหร่แล้วก็ได้เพราะมันเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นเราแค่ดูอย่าเป็นผู้เป็นแค่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเป็นเพียงแค่รู้แค่ดูเพราะเรารู้ได้ถูกไหมเราอยากรู้เราก็รู้แล้วเป็นผู้ดูพี่ไม่พูดนะนะอยากก็รู้ว่าอยาก สงสัยก็รู้ว่าสงสัยแล้วไม่ต้องไปคิดค้นหาคําตอบใดๆเพราะความสงสัยคือสภาวะธรรมความสงสัยเป็นนิวรณใช่ไหมตัวกัดขวางเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราสงสัยเราคิดจะรู้คําตอบกลายเป็นว่าเราไม่ได้ดูกายดูจิตเราแต่เอาไปแต่ความคิดมาใช้มัวแต่คิดตัวคิดเสร็จยกมือก็ไม่รู้มือค้างหมดเลยเห็นไหมเราก็ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นสักย์ไปรู้แล้วก็ผ่านไปอย่าไปอย่าไ ป, อ, าไปอะไรมนะันมาก ยอมปรกิตเนี่ยทิ้งไปได้เลยอ่ <G ül> ทิ้งไปได้เลยเพราะว่ามันเราก็สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือมือของเราเนี่ยหยุดนะมันเวลาตั้งใจฟังมันจะเผลออย่างเงนะี้ยนึกออกไหมพอตั้งใจฟังมากมันก็เผลอทอนึกได้ก็ยกต่อแค่นี้เองไม่มีอะไรนึกออกจับพันอยนะ่างี้ยเมื่อกี้เนี่ยตั้งใจฟังหรืออาจจะไปคิดถึงคุณประกิตก็เลยมือคาอยู่เลยนะ มันละเนี่ยธรรมะมันเริ่มแล้วแล้วส น, นุกวะที่เหรอคะเ อ, อเออมื่อกี้ไปคิอะไรอยู่ตั้งนานเหมือนกันนะถึงยกมือเหรอลองบอกไปคิดอะไรหรือหรือนึกไม่ อ, อกนะมันมีมันมีอเนี่ยเห๋นะไปฟังไปมองเนี่ยเนี่ยัเยดเเดียวแค่นั้นแค่แค่หลงไปมองเนี่ยมือก็หยุดแล้วเพราะฉะนั้นการใช้มือเนี่ยเป็นอุปกรณ์เพื่อให้มันกระทุ้งกระตุกกระตุกว่า๊เมื่อกี้เราหลงไปฟังแล้วมันนึกออกว่าเฮ้ยมือหยุด พอนึกออกมือหยุดปั๊บสติเกิดเห็นไหมนี่การจเจริญสติพอสติเกิดเราก็ทําต่อไปทำเล่นๆเดี๋ยวเราจะรู้เลยว่าวันหนึ่งเราเผลอเยอะแค่ไหนเมื่อก่อนบอกว่าไม่เผลอเลยนี่แหละเป็นตัววัดเผลอว่าเผลอรหรือไม่เผลอเป็นตัวครับมันมันหนีไม่ได้ทุกอย่างเราเรียนรู้ตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันทํางานได้เองความคิดทํางานได้เองความเจ็บความปวดทํางานได้เองปัญญาอยู่ที่ตรงไหนเมื่อเราเห็นแล้วเห็นอีกว่าอ๋อก็มัน มันไม่ใช่เรามันจะเกิดความไม่ใช่เราตรงนั้นมันมันเป็นอีกระดับหนึ่งแต่ว่าแค่เรียนรู้เท่านั้นเอง<ต>เรียนรู้ร อ, อ, อ, อืเนี่ยเราไม่ได้บังคับอะไรนะเพียงแต่ว่าเราเรายกมือเล่นเล่นยกมือเล่นเล่นแล้วก็สร้างเสร้างเหตุแล้วก็ให้ทุกอย่างทํางานอย่างอิสระเช่นมันไปคิดก็อิสระถูกไหมอ่ามันปวดก็ให้มันปวดอิสระมันเจ็บก็ให้ปวดอิสระแต่ว่าถ้าน้ําตานองหน้าหมายความว่าเราไม่แก้ไขมันเลย เช่นมันปวดก็ไม่เปลี่ยนใช่ไหมอ่าน้ําตาหนองหน้าไม่ได้แก้ไขเลยสมมตมันคันนะมันคันเนี่ยไม่แก้ไขคือไม่เกาเลยอะน้องหน้าแน่น้องหน้าหรืออาจจะปวดท้องปวดถ่ายเมื่อคืนเนี่ยน้ําตาหนอนหน้าคือไม่ไปแก้ไขมันไม่กินยาไม่อะไรเนี่ยน้องหน้าเพราะนั้นบางอย่างมันก็หนองหน้าได้บางอย่างก็ต้องแก้ไขก็แล้วแต่นะอย่างแค่แค่เมื่อกี้ความอยากเนี่ยรู้สึกว่ามันอาการพอสมควรอยากรู้อะเห็นมันรู้สึก มันจะนองหน้าเหมือนกันแหละแต่นี่ย่อยลงแต่ที่นองหน้ามากกว่านี้มันก็มีก็แล้วแต่อย่างโยนประกิตเนี่ยถ้าไม่ได้โทรมานองหน้าแน่แบบเออเฮ้ยทำอะไรไม่ถูกแล้วทำไมมันอยากให้โทรจริงเลยอะไรเงี้ยามาเี้ยอาจารย์ได้ยินไหมได้ยินไรู้บ้างเหรออาจารย์ได้ยินไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่ล่หยุดไปไป่าไว้ก่อนหยุดเดี๋ยวไม่ล่ะ อเพราะสิ่งที่พูดมาไม่ได้โกหกหรอกเห็นไหมเราพิสูจน์ได้ตัวเราแล้วว่าสิ่งที่พูดมาก็คือมันมีในเราแหละความสงสัยก็เกิดในเราความอยากก็เกิดในเราความเผลอก็เกิดในเราความที่มันรู้สึกตัวก็เกิดในเราเดนมาเออเห็นนะคือมันจะแสดงมาทีละอย่างทีละอย่างนะในเมื่อก็คือความทุก์เรารู้ทุกก็คือรู้จักเมื่อก่อนเรามีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้สังเกต พอเมื่อยแล้วเราแก้ไขเราก็รู้ว่าเออมันหายแต่เดี๋ยวก็เมื่อยใหม่หมหนะแล้วเอาเดี๋ยวให้ทําเองมั่งนะเดี๋ยวเราจะมาติดตามว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาทําไปเล่นๆก็นั่งยกมือนะหวลวงพี่ก็ไปเดินตรงนี้แหละ เ, เออแล้วก็เดี๋ยวให้เล่าอารมณ์ของตัวเองว่าระหว่างที่หลวงพี่ไปอยู่ตรงโน้นเราทําตรงนี้เนี่ยมันเกิดอะไรบ้างนะมีข้อสงสัยอีกละก็แค่รู้แค่รู้เฉยๆอย่าไปหาคำตอบ ตักไป่รู้ไงเราท่องกันมาหมดแล้วก็ตักไปร่รู้อ่ะเดี๋ยวทำนะเดี๋ยวเดี๋มา